เอ่อบรรดาท่านผู้โฆษาวจน์ทั้งหลายสําหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นบรรพสุดท้ายคือเป็นบรรพที่ จะพูดกันวันๆก็น่ากลัวว่า 10 วันการพูดแบบ ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่จะทําเป็นเครื่องเนิ่นช้าดูดูลิตะตุริตังสีขะสีคังธรรมะ เป็นวิสัยของศาสกยบทพุทธจินโนรดฉะนั้น <c oughs> ในอันดับต้นนี้ก็จะขออรรถนา ความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อ จำให้ดีหน่อยครับนี่เราศึกษา อย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกปิดกันไม่ ถ้าอย่างคืนปล่อยไหลมาแล้วก็รู้สึก วันนี้เราศึกษาอริยสัตว์แต่ความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาถึงแค่นี้เพียงแค่กายานุปษณามหาพฏิบัทธานก็เสร็จไปแล้ว เรียกว่ามาจิตตานุปัสสนามหาสุติปัฏฐานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติผมก็ จึงเตือนตนโจทหาทั้งทั้งที่ ขออาราธนาไหลเจ้าน่ะงับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากเจริญขออาราธนาไหลผมไม่ถือว่าเลวเกินไปถือว่ากําลัง ว่าแต่ค่านกับคําสอนขององค์ ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไหร่เมื่อนั้นนั่นแหละก็ต้องออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทั้งมีอยู่ในใจถ้าจะเพิ่งมี ใช้วิริยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพชฌงค์ 7 ที่ๆแล้วการเจริญ ตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันทรงดรัสว่ามโนปพังคมาธัมมามโนเสทถามโนมยาธรรมทั้งหลาย ใจเค้ายังมีความรักไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจยัง พยายามเคาะพยายามฤทธิ์ไปทีละเล็กๆน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วปากชั่วยังมีจิตชั่วยังมี แต่ฟังฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจมหานรกเตรียม ก็จะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบอย 4 อย่างคือ 1 ทุกข์แปล 2 สมุทัยปัจจัย 3 นิโรธ ความดับทุกข์หรือทุกข์ดับไปก็คือความดับทุกข์นะผมขอแปลดับไป 4 มรรคปฏิปทามี 4 อย่างฟังกรรมนานแล้วสําหรับที่เก่าที่ มีความรู้สึกบ้างมั้ยว่าจริยาที่ทํา ความแก่เป็นทุกข์เพราะเรา <c oughs> ความเกิดณขณะที่เกิดแล้วไม่รู้อะไร หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็น <c oughs> การป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายแปรอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังแปรอาการ การภา departed จะของรักของชอบใจเป็นความสุกต้องความทุกครับอะ Gift มันจะข้าวันถึงธุกรวิธณะบรีบขั้น การถูกนินทาว่าร้ายเป็น เกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ๆเรามองเห็นกันได้ <c oughs> เพราะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากัน <c oughs> Krugtoi Sorn mesma jin krimpulh ern 되udpurいる querida khuallit dr alcanz Então se uncrenant que-aba- haberéndido derr경ado. Eta kulake de n وهko junto justamente positiva. Si tr balla sang para mim, osita foulamento yasản queium broad honesta usa o Focho, Chビr já o medo cá sonawa. Chá que no ver negócio que você que se atauquiatra o Exatenção, Etaus o Exatenção entre eucies ก็ทุกเรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาสูงๆแล้วก็วันทั้ง รอยเป็นว่าอย่างนั้นน่ะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้ากายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะใน อาการอย่างนี้มาเป็นกันกับอาการของความสุขและความทุกข์นั่งนึกโดยดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรๆแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้ทุกอย่างถ้า มีลูกมีเฒ่าภาระต้องแบกหนักลูกเล็กกว่าถึงลูกให้การศึกษาใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เลยอ่อนเพิ่มเข้าเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอทำลูกเลวลูกเลวเข้าเกิดเรารู้สึกมั้ยว่ามันทุกข์ นี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่า เองแค่เพียงแค่จะกิน อาหารมีอยากจะกินอย่างนี้เต็มสําหรับผู้ป่วยอย่าจะกิน เรเรเรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์มันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากน่ะพื้นฐานเดิม มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อนหึดหนาวก็ต้องทนดีไม่ อยากจะร่ำรวยทําข้าวเข้ามาแล้วก็อยาก การกินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกโพธอุจารปัสสาวะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดหย่อๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีศีลนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มี ไม่มีก็ทุกข์เพราะความเพราะ <c oughs> มันหนาวบ้างมันร้อนบ้างบ้างมันเสียดบ้างร้อนบ้างมันอืดบ้างมันเสียดบ้างมันโปติโน่นบ้าง ไอ้ตัวรักเนี่ยมันตัวตัณหารักด้วยกามราคะนี่มันเป็นตัณหาเพราะรักอยากจะได้เขามา <c oughs> บางทีขณะรักกันอยู่ก็จุก็จีก็ดีเพราะจากกันไปหน่อยก็มีความระแวงสงสัยมั้ยไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะบรรลุได้มัน เนี่ยไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทําน้อยทําไม่ได้ต้องทํามากต้องทําเผื่อกันไม่การเพิ่มการงานขึ้นมานี่นั่งดูทุกข์เข้า ว่าใช้ปัญญาพิจารณาเราเองเกิดพอสอนกันมามากแล้วนี้ต้อง ใจมันนี่การตัดตันหาจากความดีความพระพุทธเจ้าทรง ถ้าตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยาก ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์พอได้มาแล้วต้องน้ํามันเชื้อ เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบพิตรคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุ ใจเสือกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการลมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าในใจของเขาเต็ม ไม่มีความสุข